การที่จะสร้างพระบารมีให้ถึงความเปิดเยเจ้าผู้มีท่าเมตตาอันเปี่ยมต่อจัตโลกนั้นจึงเป็นการลำบากผิดกับบารมีทั้งหลายอยู่มากความสามารถกับทาเมตตามีกำลังไปพร้อมๆกันถ้าต่างคนต่างได้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 ทั้งกลางวันกลางคืนมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาได้โดยไม่ต้องไปถามพานรกขุมไหนลูกไหนมันสร้างชัติที่หัวใจของคนแล้วก็ระบาดสากระจายไปทุกแห่งทุกหนเลยกลายเป็นไฟไปด้วยกันอยทั้งหมดนะี่เพราะความผิดทั้งนั้นไม่ใช่เพราะความถูกต้องดีงามถ้าเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าแล้วเรื่องเหล่านี้จะไม่มีว่าลายพืชภาษาสารดีกาสารอุทธรศารอะไรเหลนี้มันไม่มี ถ้าไม่มีเรื่องจะให้มีต่างคนต่างมีเจตนา ม, มุ่งหวังต่อความเป็นคนดีและพยายามฟังเหตุฟังผลเพื่อความเป็นคนดีนั่นด้วยกันการพูดกันก็นรู้เรื่องไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หญิงชายนักบวชคารวะพูดกันรู้เรื่องทั้งนั้นความพูดกันรู้เรื่องก็คือความรู้เรื่องภายในจิตใ จ, จตนและมีความมุ่งหวังอยากจะรู้เรื่องเหตุผลความสัตดความจีมความดีงงามอีกแล้ว ฟังกันเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติกันได้อย่างรวดเร็วท้าทีโลกมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังไปอยู่ในฐานที่ใดบ่นแต่ความทุกข์ความร้อนเราสัมภายะวุ่นวายไปหมดทั้งแผ่นดินทั้งๆ ท, ที่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างหาความรู้แล้วความรู้นั้นเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอามาเผาตัวเท่านั้นนี่เพราะความรู้ประเภทนี้เหล่านี้ไม่มีทางเขาเคลือบแฝงไม่มีทางเขาเป็นเบร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 ทำทางเราประพฤติธปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีแล้วอยู่ในสถานที่ใดเอียบทอะไรเราก็ยินนะความเย็นความพลาสุกสบายเกิดขึ้นจากความถูกต้องทางการกระทําของตนเองความเย็นจึงมีขึ้นที่นี่มันมีขึ้นที่ใดแล้วคาว่าความถูกต้องความเย็นนั้นมีเป็นขั้นๆภาคทั่วไปก็มีได้ทุกคนถ้าตั้งใจประพฤติธปฏิบัติ ให้มีความร่มเย็นเป็นจุกโลกนี้ก็เป็นโลกผาสุกร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นเริงบันเทิงหายิ่งขึ้นไปกว่านั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้ความสุขความเจริญภายในจิตใจยิ่งขึ้นกว่าภาคทั่วทั่วไปส่วนทั่วๆไปนี้ก็พยายามบําเพ็ญตนให้สงบขวดขันหรือขยับตัวเข้าไปตามลําดับแห่ง ความมุ่งหวังขง้งตนความสุขก็ปรากฏขึ้นมาแต่พ่ออย่างยิ่นเช่นผู้สนใจทางทางจิตป่ภาวนานี่เป็นเรียกว่าถ้าว่าเป็นแนวโรคเป็นการเข้าสู่สงครามก็เรียกว่าเป็นแนวหน้าทีเดียวจำพวกนี้จำพวกแนวหน้าความมุ่งหวังขนาดนั้นแล้วเราจะทําหมอนแดง ไ, ไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความเข้มแข็งมีความเข้มงวดขัดขันตนเองอยู่เสมอผลสุด ท, ท, ท้ายก็เลยกลายเป็นผู้มีสติสตังอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นก็ไม่จัดว่าเป็นผู้เข้มแข็งโดยเหตุโดยผลได้เนี่ยความเข้มแข็งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสติปัญญาการระมัดระวังความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่าจะเป็นไปในทางถูกหรือผิดจะพ้ออย่างยิ่งจิตจะคิดไปใทางใดที่จะสั่งสมความไม่ดีงามขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นความผิดแง่หนึ่งซึ่งเป็นส่วนละเอียด ก็ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาเพืม้วดกวดขันนี่ตลอดเวลากระจายท้องจิต ด, ด้วยความคิดคอมบุงก็ไม่ไปกว่านเอาอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเผาโดนๆให้รับความเดือดร้อนนี่ก็เย็นนี่เย็นขึ้นไปเป็นลําดับดังนั้นบรรดาที่ดุจจุดดุหาทั้งหลายได้มาอบรมในสถานที่นี้ก็เป็นเวลานานพอสมควรเดือนโกลนาน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 ของเราเรามีเราอยู่ในสถานที่ใดอิเดียบทใดมีความใช้วดกวดขันมีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายในจิตใจระมัดระวังอยู่ด้วยควา ม, มาระมัดระวังเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ ร, รมนละบูชาตถาคตคือดูบูชาพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาบทที่สองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต เห็นธรรมนี้เห็นอย่างไง ร, รู้ธรรมรู้อย่างไงปฏิบัติธรรมเพื่อความเห็นธรรมปฏิบัติอย่างไรก็ดังที่เราปฏิบัติอย่างนี้อ่ะทางทจิตต์พรนาเป็นสำคัญนี่คือการปฏิบัติธรรมการเห็นธรรมก็จะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นสิ่งที่จิตที่ขวางอยู่ภายในตัวเองเวลานี้ซึ่งเราถือว่ามันเป็นข้าสึกต่อเราได้แกสัจะธรรมสองบทเบื้องต้นคือทุกหนึ่งสมุทยัย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 ก็เริ่มมองเห็นท่านอยู่ทางโน้นเราอยู่ทางนี้เนี่ยสติทาทาใกล้เข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าใกล้เข้าไปอนาคาใกล้เข้าไปโดยลํำดั บ, บถึงพระรหัสตผลแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์นีะธรรมที่จะให้สําเร็จมาผลนั้นๆในทางภาคปฏิบัติก็อยู่กับเราด้วยกันทุกคนการที่เรายึดเราถือการพุทธปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าเราเดินตามบัถาพจน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 นี sa ่เป็นการบูชาแท้นี่เป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลาด้วยความภาคเพลี่ยนของเราการจากไปเป็นกิริยาอาการอันหนึ่งเท่านั้นอยู่ที่นี่ก็จากเช่นนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็จากไปที่นั่นนั่งจากที่นั่นลุกจากที่นั่นก็จากมาที่นี่มันจากไปตลอดเวลาใะเรื่องความจากนี่เราจะไปถือว่าจากโน่นจากนี่จากเมืองนั้นมาเมืองนี้จากบ้านนี้ไปเมืองนั้นจากสถานที่นี้ไปสู่สถานที่นั่นก็เรียกว่าจากคือจากใกล้จากไกลจากโดยลำดับตํานา แหงโลกอันนี้จังมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่เช่นนี้มีความเปลี่ยนแปลงแปรปนอยู่เสมอสิงอันนี้เรานํามาพิจารณาให้เป็นอัปเป็นธรรมได้โดยหลักของไตรักเป็นทางเดินของผู้จะรู้จริงเห็นจริงทั้งหลายต้องอาศัยหลักใจรักเป็นทางเดินเราอยู่ที่นี่เราก็บําเพ็ญธรรมเราไปอยู่ที่นั่นเราก็บําเพ็ญธรรมเพื่อละเพื่อสตรตรได้เลยเพื่อระงับดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายใ น, ในจิตใจของเรา อยู่ที่ไหนแล้วก็บำเพ็ญเพื่อความละความถอนย่อมจะละได้ถอนได้เพื่การบำเพ็ญด้วยกันโดยไม่หมายถึงสถานที่นั่นสถานที่นี้เพราะสาคัญอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อการละการถอนนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกไปเถิดพิสุทธิทั้งหลายเธอไปหาอยู่ในที่สงบสงัดเป็นผู้เหนียวแน่นแก่นนักลบอยู่ในสถานที่เช่นนั้น ชื่อว่าเธอทั้งหลายเข้าเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลานะไม่จําเป็นที่เธอทั้งหลายจะมานั่งห้อมล้อมเราอยู่ชั้นนี้ถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าไม่ใช่อย่างนั้นผู้ใดมีสติสตังผู้ใดมีความเพียรอยู่ในียาบดใดชื่อว่าผู้บูชาเราสถาคตหรือเฝ้าสถาคต์อยู่ปราบนั่นแหละนม้จะมานั่งตรงหน้าเราสถาคตถ้านั่งอยู่ด้วยความประมาทก็หาได้พบสถาคต์ไม่หาได้เห็นสถาคต์ไม่หาได้เฝ้าสถาคต์ไม่เราไม่ถือว่าการเข้ามาการออกไปชั้นนี้เป็นการเข้าเฝ้าครับ ตถาคตและการออกไปจากตถาคตแต่เราถือถึงความเพียนต้องทาต่างหากนะการต่อถอนที่เหลือได้มากน้อยชื่อว่าเข้าเฝ้าลราโดยลําดับลาดับหรือนะชื่อว่าเราเห็นตถาคตไโดยลําดับลํำดับนี่เป็นหลังใหญ่ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนสาวกว่าไปเถิด่ฟังดิไฮฮาบประกอบความภาคเพียรเพื่อต่อถอนที่เหลือซึ่งเป็นข่าศึกอยู่ภายในจิตใจทั้างบนให้หมด้นไปโดยลำดับและพวกเธอทั้งหลายจะเห็นตถาคตเองว่าอยู่ในสถานที่ใด โดยไม่จําเป็นจะต้องมามองดูตถาคตนี้ว่าเป็นอถ า, าคตขอให้ถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าศิกต่อจิตใจของพวกเกิดทั้งหลายให้ได้จนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเนี่ยเธอทั้งหลายจะเห็นตถ า, าคตอันแท้จริงซึ่งเป็นธมัตของพวกเกิดแท้อยู่ภายในใจของพวกเกิดนั่นแห ล, ละแล้วนําธรรมชาตินั้นมาเทียบเทียกบตถาคตว่าเป็นอย่างไรแล้วจะ ม, มีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเหมือนกันนี่ทางก็ว่าของพระชุทธา เป็นหลักสําคัญอย่างนี้การทาทจิตใจการทําตัวให้เป็นคนดีคือว่าเป็นการสั่งสมความสุขความกระเดินขึ้นภายในจิตใจตนโดยน้ำ น, นั้นนะ่ะผลก็คือความสุขนั่นเองซึ่งที่ที่มันเกิดความหาความสุขไม่ได้หรือมีความสุขไม่สมบูรณ์เพราะพ่มีสิ่งจิตขวางที่ให้เกิดความสุขอันสมบูรณ์อยู่ภายในจิตใจของเราแต่เจติเลศไม่ใช่ไม่ใช่ได้แตเจะะริญนะ มีกิเลสเท่านั้นที่เป็นเครื่องจิตวังเสียดแทงจิตใจของสัตว์โลกอยู่คือมาเห็นความสุขอันสมบูรณ์การทุกการลาความทุกข์ควา ม, วามลําบากทั้งภายในภายนอกส่วนมากขึ้นจากกิเลสไม่ใช่เรื่องอืน่อนเช่นมีเจ็บไข้ได้ปวดภายในร่างกายอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของกิเลสแทรกเข้ามาบ้านเราเจ็บนั่นเราปวด น, นี้เกิดความโกลงกวายและสำลรกายด้วยมาภายในใจิตใจนี่ก็เป็นทุกข์ทางใจอยู่ประเภทหนึ่งแทรกขึ้นมา จากโรคภายใยตายถ้าเพียงโรคภายนตายธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นได้สาวกก็เป็นได้เพราะขันอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติแต่งสมมุติอยู่แล้วคือเรื่องไกลละท่านจะข้ามผลอันนี้ไปไม่ได้เมื่อมีข้ามีขันก็ชื่อว่ามีสมมุติก็ต้องอยู่ใต้กฎธรรมชาติใต้ใต้กฎหลักธรรมดาต้องมีความแปรสภาพไปธรรมดาแร่ กายนั้นไม่มีความหมันไหเพระรู้ท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วโดยรอบคอบไม่มีอะไรที่จะโว่ภานจิตใจแต่พวกเราไม่เป็นเช่นนั้นมาทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายมากน้อยก็เป็นการสอถึงจิตใจที่จะสั่งสมความทุกข์ขึ้นภายในตนอีกมากน้อยเช่นเดียวกันดีไม่ดีความทุกข์ภายในจิตใจยิ่งมากกว่าความทุกข์ภายในร่างกายซะอีก พยานจริงๆว่ากิเลสมันเข้าแทรกได้ทุกแง่ทุกมุมถ้าเราเผอให้มีสติปัญญาทันแค่เท่านั้นแหละมันเข้าได้ทุกแง่ทุกมุมโดยไม่อ้างการอ้างเวลาอ้างสถานที่อิเดียบทใดๆทั้งสิ้นมันเกิดได้ทุกระยะขอให้จากความเคลื่อนไหวของจิตแสดงออกซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสคักออกมาอีกเช่นเดียวกันันเรื่องของกิเลสช่วยกิเลสมันจะเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาได้อย่างไงนอกจากมันจะเป็นกิเลสทั้งตัวของมันแล้วเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับเท่านั้นจึงต้อง ทุ่มเทสติกำลังกับปัญญาศรัทธาความเพืองเราลงให้ทันกับเหตุการณที่มันเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเรียนธาตุเรียนขันจบก็ะเสิเรียนอะไรจบก็ยังไม่พอกับความต้องการยังมีความหิวความโหยเป็นธรรมดาถ้าเรียนธาตุเรียนขันเรียนจิตใจจบไม่มีความหิวโหวยพอตัวอย่างเต็มที่ ประจักษ์กับปิตใจเวลานี้เรายังบกพ่องในวิชาขันถ้าปฏิบัติในขันวิชาคือความรู้แจ้งแทงทะลุในท่าในขันนี้ว่าเขาเป็นอะไรบ้างแล้วควรจะแยกแยะกันให้เห็นตามความจริงอย่างไรบ้างอะไรจริงอะไรปลอมเราเรียนยังไม่จกเราเรียนยังไม่เข้าใจเพราะมันจึงวกจึงวนจึงวุ่นจึงวายอยู่ภายในท่าในขันในจิตในใจนี้เท่านั้นสถานที่วุ่นวายไม่วุ่นที่ไหน คุณนทีธาตุที่ขันที่จิตที่ใจซึ่งเกิดเรื่องเผยราการชำระยังไม่เสร็จไม่สิ้นนี่แหล ะ, ะเพราะฉะนั้นตามเรียนที่นี่จึงเป็นการชำระคดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันดูมีปัญญาเป็นผู้พากษาเครื่องตัดถินไปโดยลําดับลำดั บ, บเรียนให้จบขันมีอะไรบ้างนี่เคยพูดให้ฟังเสมอผู้ประขันก็ร่างกายทั้งร่าง ไม่มีอะไรยกเว้นรวมแล้วเรียกว่ารูปประคันคือกายของเราเองเวทนาขันความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจนี่ท่านเรียกว่าเวทนาขันสัญญาขันคือความจําได้หมายรู้ในสิ่งต่างๆท่านเรียกว่าสัญญาขันสังขารขันคือความปรุงของใจคิดดีคิดชัว่วคิดเรื่องอดีตอนาคต ดังนี้เป็นต้นเรียกว่าสังขารขันเป็นหมวดเป็นกองวิญญาณขันคือความรับทราบจากเวลารูปเสียงกล่นลดเครื่องสัมผัสมากระทบกาหจูจมูกร่านกายของเรารายงานเข้าไปสู่ใจเป็นความรับทราบในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสตามขนาดของมันและดับไปตามสิ่งนั้นที่ผ่านไปมีท่านเรียกว่าวิญญาณ นี่เป็นวิญญาณในขันห้าวิญญาณในขันห้ากับปฏิชนที่วิญญาณนั้นต่างกันปฏิชนที่วิญญาณนั้นหมายถึงมโนโหรือหมายถึงจิตโดยตรงจิตที่จะก้าเข้าสู่ปฏิชนที่วิญญาณในกาเมเวทต่างๆท่านเรียกว่าปฏิชนที่วิญญาณหมายถึงใจโดยตรงส่วนวิญญาณในขันห้านี่มีความเกิดดับไปตามสิ่งที่มาสัมผัสสิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไป วิญญาณก็ดับไปพร้อมคือความคือความรับทราบดับไปพร้อมขนาดที่สิ่งนั้นผ่านไปนแต่ประดิญญาที่วิญญาณนี้หมายตั้งใจทราบตนเองอยู่โดยลําดับโดยโดยลําพังมีความรู้ยโดยลําพังอันนี้ไม่ดับนี่คือขันห้าเรียนขันห้าเรียนทบทวนให้เป็นที่เข้าใจอันใดที่ยังไม่เข้าใจเรียนให้หลายตลบทบทวน พุ่ยเชี่ยขุดค้นกันอยู่เ ป, เ, ปเป็นเป็นที่เข้าใจนี่สถานที่ทํางานของผู้ถือจะรื้อจิเลตันหาสร ะ, ะออกจากจิตใจที่เรียกว่ารื้อถอนวัฏวบคือความหมุนเวียนแห่งจิตที่ไปเกิดในกําเนิดต่างๆไปเทีย จ, จับจองปาดช้าไม่มีสิ้นสุดทั้งๆที่ยังไม่ตายก็ไปจับจองไว้แล้วก็เพราะเหตุแห่งความหลงในขันความไม่รู้เรื่องของขันจึงต้องปฏิหารยึดขันนทัก ท, ท, ที่ขันนี้ยังอยู่ ก็ยังไม่ถอไปยึดไปหลงไปอีกเรื่อยๆไม่มีความพิสุดถ้าแม่ปัญญาเขาไปพิสูจน์พิจารณาจะมาทั้งตัดได้อันที่สองให้เรียนเรื่องขันรูปประขันก็คือตัวสัจธรรมก็ตัวอสติปัฏฐานสี่ว่าอะไรเหมือนกันหมดมันเป็นวายพลของการะการใช้แทนกันได้แล้วพิจารณาเนี่ยอาการใดอาการหนึ่งก็ถูกเรื่องของสัจธรรม ถ, ถูกถูกเรื่องของสติปัฏฐานสี่ ปกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายอยู่อย่างนี้้นเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกายก็เป็นกายรูปก็เป็นรูปอยู่เช่นนี้เองแต่ความวิการของท่าของขันมันก็มีการไปตามเรื่องของมันทุกเวทนาเกิดขึ้นจากความวิการของสิ่ง น, นั้นที่ไม่อยู่คงที่ดีงามจิตก็ให้ทราบ ตามเรื่องของมันชื่อว่าเรียนนิชาขันเราอยากไปตื่นเต้นอย่ไปสนกตกใจอย่ไปเสีย อ, อกเสียใจกับมันเพราะสิ่งเหลนี้เป็นธรรมชาติถ้ามันจะต้องแปลอยู่โดยลําดับแกลอย่างลี้ลับก็มีแกลอย่างเปิดเผยก็มีแกลอยู่ตามหลักธรรมชาติคงตนทุกทยะทุกวินาทีลึกหรือบางวินาทีมันก็ยังห่านไปทุกขณะไปเลย ทุกเวลาไปเลยมันแปลของมันอย่างนั้นแปลเรื่อยๆความแปลไอเรื่องความทุกข์ก็แสดงตัวอยู่เรื่อยๆไม่เคยหยุดเคยนิ่งนอนเลยคนเรายังมีการหลับการนอนการพักผ่อนให้สบายไ อ, อ, อ, อ้เรื่องสัจธรรมไอ้เรื่องไตรลักษณ์นี้ไม่เคยหยุดไม่เคยผ่อนผันทัญนยากับใครเดินตามหน้าที่ของตัวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนกับจีนต่างๆเป็นสภาพจะต้อง หมุนไปอยู่เช่นนั้นในร่างกายของเรานี้มันก็หมุนของมันอย่างนั้นเหมือนกันแต่สภาพนี่เรานั่งสักเดี๋ยวนี่เจ็บปวดขึ้นมาแล้วนี่มันแปลไม่นั่นมันไม่แปลจะเจ็บปวดทําไมความเจ็บปวดวก็แยกว่ากทุกขเวทนามันเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาให้เราทราบหรือเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งพิณาให้เห็นตามความจริงของมันเวลาจําเป็นจําใจขึ้นมาเราจะอาศัยใครไม่ได้ หลาจะ ไ, ไปหวังพึ่งคนนั้นหวังพึ่งคนนี้เป็นความเข้าใจผิดของเราซึ่งจะทําให้กําลังทางด้านจิตใจของเรามันลดลงไปจนกระทั่งเกิดความท้อถอยอิหนาและอาเจียต่อการช่วยตัวเองมีเป็นความเข้าใจผิดที่เป็นความเห็งผิดของจิตซึ่งมีจุดเด่นเป็นเครื่องกระสึบเวลา ต, วตัวจริงก็เหมือนกับ น, นักมวยเขาขึ้นเวทีฟูเขา จะสั่งสอนอบรมกันตั้งแต่ที่ยังนักขึ้นเวทีเมื่อกล้าขึ้นสู่เวทีแล้วไม่มีทางที่จะแนะนำสั่งสอนอย่างไรผิดกับถูกดีกับชั่วเป็นตายก็ต้องตัวเองต้องชั่วตัวเองอย่างเต็มกําลังความสามารถอุบายวิธีที่จะโชกจะต่อยอย่างนั้นอย่างไรนั้นจะไปสอนไม่ได้เวลาหนึ่งหนีล่าล่าเข้าสู่สงครามขลุกตาจ น, านทานท่าเนี่ขันแต่พออย่างยิ่งเวลาจะแตกจะสลานี่มันก็เหมือนกับอีแรงอีกาที่มาจับต้นไม้ เวลามาจับก็เยอก็ไม่ค่อยกระเทือนอะไรมากนะแต่เวลามันจะไปบางทีเขย่ากลิ่มันไหวหมดทั้งกิ่นบางทีหากกิ่นมันตายนี่หือม่น้ำหนาวมันคงหักอะไรก็มีนี่เวลามันจะจ่า ก, กันไปมันเขย่าเรานะเขย่าในท่านในฐันนี่นี่เราจะทนต่อการเขย่าได้ด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่สติกับปัญญานี่ทนไม่ได้เราต้องสู้ให้เป็นเม็ดเป็นหน่วย เต็มทัตติกําลังความสามารถเราไม่ต้องกลัวเราร่มเราจมเพราะการสู้การพิจารณาธาตุขันให้เห็นตามความจริงไม่มีการร่มการตมนี่คือการเชื่อตัวเองโดยเฉพาะหรืออย่างเต็มกําลังความสามารถและเป็นการถูกต้องอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยด้วยถึงค่าวจาเป็นเข้ามาจริงๆจะมีแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นสแสดงอย่างเด่นชัดทีเดียวภายในกายทุกชิ้นทุกส่วนจะมีแต่ เหมือนกับว่าเป็นไฟหมดทั้งกองภายในร่างกายของเรานี่กลายเป็นกองไฟที่ท่อนไ ฟ, ท, นไฟทั้งดุ้นไฟทั้งรุ่นเลยแดงเป็นโี่ไปหมดด้วยความรุ่มร้อนแล้วเราจะทำยังไงสติปัญญายังลงไปให้เห็นความทุกข์ความร้อนอันนั้นดูกระจัดด้วยปัญญาแล้วย้อนดูจิตใจของเรา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 แต่ตั้งหน้าสู้กันแล้วต้องสู้ให้ถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเป็นหน่วยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายใครจะหาตรงเวทีไม่หาไม่สาคัญสู้จนเต็มกําลังความสะมาัองเราด้วยปัญญาของเรานั่นเอี่ ย, ยสู้เอาเฉยแบบคนเฉยก็ไม่ใช่เพิ่ขึ้นไปให้เขาต่อยเอาต่อยเอาโดยที่เราไม่มีปิดมีป้องไม่ต่อสู้เขาเลยนะี่ใช่ไม่ได้เราต้องสู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มถึงกําลังความสะมาของหลรา สู้กับเวทนานคือการพิจารณาเห็นตามความจริงของมันอย่าไปบังคับให้มันหายทําบังคับให้มันหายมันถึงคติธรรมดานอกจากการพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันรูปเป็นรูปอย่าไปเอาอะไรมาขัดมาแยง้งอย่าอะไรมาแทรกมาแสงว่าให้เป็นอย่างอื่นรูปเป็นรูปกายเป็นกายสักแต่ว่ากา ย, กายจักแต่ว่ารูปน่นเวทนาจักแต่ว่าเวทนา ก้ะสุกก็าตามจัดทุกก็าตามที่เถื่อก็าตามมันเป็นเรื่องเวทนาอันห น, หนึ่งเท่านั้นผู้ที่รู้ว่ากายผู้ที่ด้ว่าเวทนาความสุขความทุกข์ของเถยคือไข่ถ้าไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ธรรมชาตินั้นให้แยกกันออกให้เห็นกันตึกความคัดเจินโดยทางปัญญาอยู่เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้พิาาจารณาสัจธรรมโดยถูกต้องแล้วเราจะไม่หวัน่ไไว น, นไม่ไหวถึงร่างกายมันจะทนไม่ไหวเอาอะไรจะดับไปก่อนไปหลังถ้ามันรู้เพราะเราแน่ใจแล้ว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 โดยทางสติปัญญาจนมีความสามารถแล้วจะเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นแต่ถ้าสติปัญญาอาภัพจิจั้งแล้วก็ทอแค่อ่อนแอถอยหลังแล้วเรื่องความทุกข์จะรุมเข้ามาผูกที่จิตใจทั้งหมดเพราะใจเป็นผู้สั่งสมทุกข์ขึ้นมาเองด้วยความโง่ของตัวเองนั่เพราะฉะนั้นความทอถอยจริงไม่ใช่ทางที่จะชำระตนให้พ้นจากทยทั้งหลายไปได้นอกจากความขยันมันเพียรนอกจาก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 เราอยู่กับพระธรรมเราอยู่กับพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาโดยพระอาวโลกุนมาปฏิบัติก็ร่นแยงแต่เรื่องของท่านทั้งนั้นเราไม่ได้ปรจชญาครูปรัชญ า, าอาจารย์เรามีมีเราอยู่ด้วยความมีที่พึ่งคือมีสติมีปัญญาไม่กระทาความเพียรลบฟันหันแหลกกันกับสิ่งที่เป็นค้าศึกอยู่เช่นนี้แต่ว่าเราปราจชญาครูได้ยังไงเราอยู่กับครูแล้วก็รู้ก็ต้องรู้แบบนี้ครู นี่คือวิธีการแห่งการปฏิบัติตนไม่มีความว่าเวไม่มีความหวั่นไหวให้มีความแน่วแน่ตามความจริงแห่งธรรมที่ครูที่อาจารย์ได้สั่งสอนไว้แล้วถือยึดเป็นหนักเป็นเจนอยู่ภายในจิตใจเสมออยู่ที่ไหนก็เทียกว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์กับพราพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เพราะพุทธธรรมะสังฆะอันแท้จริงแล้วอยู่กับจิต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 การแสดงธรรมก็เห็นว่สาสมควรขอจิตเพียงเท่า